โอจะนางวิไรเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาตาองตาตายมองกันเรือ่องเสียวาหัวใจรักันก็ไม่รัก<อ>ลงกันก็ไม่ลงฉันยังอดหเธอไม่ได้โอบจะนางวิไรเหมือนดอกไม้ที่เธอถือ โอปาพยารณนตาหลห่วงอปาพยารณน่ตาหลห่วงแสนรำแสนห่วงโอแม่ดวงจันทร์หน่่ยเดือนตัเงหมดหมด มาแล้ว